ตั้งสาธาจนวัตถุตตริษัทตงหลายสำหรับหน้านี้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับหน้าที่หนึ่งตั้งคือวันที่ยี่สิบเก้าิงหาคมสองพันห้าร้อยสาิบสี่เวลาประมาณสิบแปดนิกาขอต่อเรื่องเลยในเมื่อนอนลงไปแล้วภาวนาเรื่องภาวนาเนี่ก็ไม่หนักพิจารณาไม่ต้องแล้วมันพิจารณามาแล้ว ที่จะนามันว่าร่างกายไม่ดีเราจะหนีร่างกายตัวนี้แต่ว่าก่อนหน้าสิ้นปีนี้เราจะยังไม่หนีจะทนโซ่จะสอนทิ้งทนกลางคืนลงสอนเองที่วิหารรอยเมตรเป็นการสอนทิ้งทนคำสอนครั้งสุดท้ายไว้เพื่อเป็นคติสอนใจที่จะนำไปใช้กันข้าบันทึกเสียงไว้ เมื่อเวลาเราตายไปแล้วถ้าเขาต้องการและพระที่สนใจก็มีอยู่อย่างท่านน้อยน้องชายดรปรญญาแล้วก็ปฏิการไปกาปฏบพระครูประหัดอนันท์พระค ร, นนระูสมโอที่ถ้าอยู่ใกล้ท่านสนใจปฏิบัติจริงๆช่วยเขาลูกขอบนั่งเหมือนกัน แต่ก็มีเวลาน้อยแต่ส่วนที่หนักที่สุดก็คือผลลดคุมด้านยาพระก็ช่วยจริงๆท่านช่วยแต่ว่าส่วนนอกจากนั้นท่านอยู่ไกลเราไม่โทษกันไม่โทษเพาท่านไม่สนใจถ้าท่านรู้ท่านอาจจะสนใจถ้่อาการป่วยไข้ไม่สบายก็สังเกตกันยากเพราะเวลารับแขกพระท่านช่วย ไอ้งานก็ทำมา ก, ก็มีหนักเช้าก็มีเรื่องหนังสือมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินการเงินก็ต้องรู้เองทุกอย่างต้องรู้ด้วยกับเจ้าหน้าที่บัญชีไม่ใช่ปล่อยเจ้าหน้าที่บัญชีทําไปตามลําลพังใครอยาหากินรัดแบบแบบนั้นไม่ได้แน่กระรองความว่นอนลงไปใจสบายใจเริ่มยวันศุกร์วเดียวเดียว เขาน้ำม ก, ก็ไม่อยากมปเยอะอารมณ์มันมีอยู่แล้วจิตเริ่มสบายอารมณ์เป็นสุขจิตสงดพอจิตสงยก็ได้ยินเสียงทางด้านศีศตะเรีอด้านหัวนอนมีชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่เสียงตะ ว, ว่าชัดมึงไปเดี๋ยวนี้เจยวนะมึงจงไปทาไมไปกูจะใจกล้ายกมึงจะนี้เป็นต้น เสียงตวัดดังลั่นห้องท่านมองไปดูก็เห็นท้าหมหาพรสสามบรีพรมเสียนั่นคือท่านท้าสามบรีพรมท่านตวัดก็ามึงจงไปแต่ว่าไม่ได้ได้อะตมาท่านมองมาทางหน้าอกพอขาดคำของท่านก็ปรากฏวิภาพเด็กหญิงสองคน อายุประมาณ 6, สักหกไปเจ็ดปีตัทรงสวยแต่ปิดหน้าตั้งอยู่ก็คิดว่าพงทิพกับพรทิพยแต่ความจริงไม่ใช่ถ้ายังตะหวาดต่อไปพอตะหวาดต่อไปไปเดี๋ยวเด็กจริงสองคนนั้นหายไปแล้วก็ที่ร่างกายก็ปรากฏเหมือนกับแสงออกมาเจ้าว่าแสงมันก็ไม่ใช่เจ่าว่าฟันไฟมันก็ไม่ใช่มันเป็นแสงออกมั มันเป็นก็เป็นเสียงดำๆคล้ายๆฝันไฟแต่มันพุ่งตรงเหมือนแสงออกจากร่างกายเกือบทุกส่วนหลังจากนั้นอีกไม่นานนักก็มีภาพคนปรากฏออกจากทางท้องลอยขึ้นมาในมือมันถืออะไรก็ไม่ทราบแล้วมันก็ร้องไห้ไปก็ลอยไป อมันลอยไปแล้วท่านก็นบอกว่าคุณฉันช่วยคุณแล้วนะและจะไม่ช่วยแบบเพียงข้างๆเท่านี้จะช่วยเรื่อยไปยิ่กว่าจะถึงวาระที่พระท่านสั่งท่านสั่งให้คุณตายปีไหนต้องตายปีนั้นไม่ใช่ตายก่อนหว่าตายหลังเคยบอกแต่เรื่องเล็กเรื่องตายมันเรื่องเล็กไอ้ตายก่อนท่านยิ่งชอบ มันจะได้เหนื่อยน้อยลงไปเวลานี้มันเหนืยหนักแต่ว่าอยากจะถามว่าไอ้ตัวที่มันออกนะมันเป็นผีใช่ไหมถ้าบอกว่าจะเรียกว่าเป็นผีธรรมดามก็ไม่ใช่คุณผีธรรมดานะเข้าคุณไม่ได้อยู่แล้วฉันคุ้มครองชักก็คุ้มครองพรมเทวดาคุ้มครองทั้งหมดยังกัวพระก็คุ้มครองทุกอย่างแก้วก็คุ้มครอง ไม่สามารถเข้าได้ถ้าถามว่าถ้าไม่ใช่ผีมันเป็นอะไรถ้าบอกมันเป็นตัวกรรมธรรมกรรมอะไรตัวกรรมทุกอย่างที่คุณทํามันรอยกลอคุณอยู่เป็นตับอีเด็กสองคนเมื่อกี้นี้มันก็คอยจะเข้าท้ายางนี้มันออกขอโทษบรรดาท่านพุทธบริษัทลืมบอกไปว่าหลังจากที่ เห็นผู้หญิงสาวคนนั้นต้องผ้าสีทองใส่เสื้อสีแดงสีแดงบอกว่าจะป่วยไอ้นั่นเน่ยไม่ใช่คำว่าแช่งนะเป็นสัญลักษณ์บอกกันให้รู้ตัวก่อนว่าจะต้องป่วยอีกสองสัปดาหต่อมาพอเริ่มป่วยก็เห็นภาพเรือเมเรือด้วสายขนาดใหญ่สีแดงยังรถสีแดงวิ่งไล่กวดกันเหมือนกับน้ำท่วมถนนเรือวิ่งได้รถก็วิ่งได้ไล่กัน นั่นคือภาพเด็กสองคนที่มานั่งจ้องอยู่ถ้าเจ้าตัวครึ่งตัวที่ลอยไปคนหน้าที่ของมันเมื่อไหร่เจ้าเด็กสองคนจะเข้าแทรกทันทีเข้าเสียงทันทีจะป่วยต่ออีกมันทาให้ป่วยเรียถามนึกว่าไอ้ ก, กฎของเกา่าเนี่ยมันมีตัวด้วยถ้าบอกว่าคุณก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยนี่มันเสียงคนมาเท่าไรแล้วมันไปเท่าไหร่แล้ว หายแล้วก็เป็นหายแล้วก็เป็นอันนี้มันเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ตัวเกา่าอาการที่มันจะแกล้งขุนก็คือว่าแกล้งเหมือนเดิมทางด้านท้องแต่เวลานี้มันเริ่มมาใหม่แล้ะไอเจ้าตัวเครื่งตัวมันเริ่มทําให้ความดันโลหิตสูงมันเริ่มไปขั้นหนึ่งมันจะเอาให้หนักไปกว่านั้นและอีเด็กสองคนนี่มันก็ยังเปลี่ยนลีลาใหม่แต่อ้ท้องเนี่ยมันจะขี้แข็งยุ่อยไป มันจะธรมานคนแล้วน้อยคุณดูที่มันคอยเป็นตับเห็นมันยืนเรียงคิว เ, คเป็นตับเป็นตัวคนบรรดาจานพรธศาสนิกชนท่านบางอัตบาบางจะมีความรู้สึกยังไงในเมื่อเห็นศัตรูยืนเป็นแถวแบบนั้นก็คิดในใจถ้าเราก็จะลองสู้กับมัน สู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็สู้เปินกับเราเป็นเจ้าของมนครที่มีความสำคัญเรียกว่ากายยนครผู้คลองกายยนครคือพระเจ้าจิตราชคือจิตเวลานี้ข่าศึกคือชราพยาชราพยาชราคือความแก่ พยาพยาธิคือความปวดไข้มาสบาย่าพร้อมกับพยาบรรจุราชพยาบรรจุราชคุมทัพใหญ่มาเบื้องหลังแต่ยังไม่เข้าทําการรบปล่อยกองทัพสองกองทัพเขารบกนก่อนย่ำยีให้เกิดความทุกข์จะหนีก็ไม่ได้จะถอยไปไหนก็นได้ถูกกองทัพล้อมเพื่อไกลแกล้งทุยอย่างอดข้าวบ้างอดน้ําบ้างปวดนั่นบ้างปวดนี่บ้าง เย็นนอนตีทางนี้เราก็มีแต่ความวุ่นวายก็คิดในใจว่าในฐานะเราเกิดเป็นลูกผู้ชายคําว่าลูกผู้ชายนี่เขาต้องสู้เวลานี้เรามีหน้าเทียรับอย่างเดียวไม่มีหน้าเทียรุกกองทัพถ้ารับอย่างเดียวมันก็มีหวังแต่แพ้อย่างเดียวถ้าเรารุกบ้างบางโอกาสเราจะชนะ ถ้ากลับมาแพ้แล้วก็ชนะชนะก็แพ้แพ้ชนะมัดไทยกไปผอมมาอย่างนี้ยังดีกว่าดีกว่าปล่อยเข้าตีอย่างเดียว เ, ยเมื่อตัดสินใจแบบนี้ก็คิดว่าเอ้าเราต้องตีเทวดาดังฟ้าธรรมดีพรมท่านพรงทั้งอําเภนมองดูเอ้ก็จะทำยังไงก็ใช้เตโชกสินเป็นไฟไหม้มันราบเรียบไปเลย ไม่ราบเรียบเป็นหน้ากรองไปหมดเตียยเล่งความจริงมันไหมมันหรือ ม, มันหนีไปก็ไม่รู้เห็นมันไม่เรียบร้อยไปแล้วก็ดีใจบอกเออมืองอย่ามาสู้กับกูถ้ามืองมาเมื่อไรกูอเอามานันไปตั้งเตโชสินเป็นประจำไหม <c oughs> รอบตัวก็เหมือนกับตั้งกำแพงด้านรอบรอบเมืองไว้ ในที่นั้นบรรจุเตโชกสินเต็มอัจริว่าถ่าข้าศึกคือกฎของกรรมมามาไรให้เผาทันทีไม่ต้องรอรับคำสั่งหลังจากนั้นแล้วก็ถามนะันสา ม, มีพรมว่าเย่างนี้เป็นไงป่วยไหม <c oughs> ถ้าบากคุณอย่าลืมนะไอ้ที่คุณทำนะกูทำได้ <c oughs> คนยานึกว่ามันตายเห็นมันถูกไฟไหม้นะ่ยมันเป็นภาพภาพที่ถูกไฟไหม้แต่ว่าถ้าเผยว่าอะไรมนงนก็เลยงานมันนั้นตัวเฉพาะอย่างยิ่ร่างกายของคนนะมันกร่อนหมดแล้วนะ่ะมันผุแล้วนะ่ะถึงว่ากฎของกรรมมันไม่ทำร่างกายมันก็ทนยังไม่ไหวยอยู่แล้วนี่พระธรรมประครับประคองท่านต่อเรื่อย ว่าถ้าท่านต้องการให้คนอยู่ถึงปีนั้นที่ท่านต้องการเจ้าเลยเตือกว่าขอให้คนตั้งใจอยู่ตั้งใจช่วยพระท่านก็ถามว่าก็พระอื่นมีองค์เยแยะไปอ่ะว่าพระอื่นท่านก่อใช้คนท่านก่อใช้ว่าคนไม่ใช่มีกลุ่มเดียวไม่คนใ น, นโลกนี้ไม่มีแต่คณะโลกศิทั้งคนชุดเดียว คนในประเทศไทยมีทั้งห้าสิบล้านเศษคุณจะสามารถไปแนะนำเขาทุกจุดได้อย่างไรท่านก็ต้องใช้เป็นจุดจุดไปใครอยู่จุดไหนใช้จุดนั้นจะช่วยคนจุดนั้นไปแล้วคนทั้งโลกที่เขาต้องถือพระศาสนาที่เขามีบุญบารมีมีท่านก็ตั้งจุดสอนโดยเฉพาะอย่างก็ตั้งธรรมทูตัวยต่างประเทศ <c oughs> <c oughs> ทงางนณะสอนกรระฐานต่าง นั่นก็เป็นภาระของพระท่านสงเคราะห์ฉะนั้นการที่คุณไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับใครแล้วไม่ว่าใครสอนกรรมฐานปิดนั้นถูกต้องก็บอกมันจะผิดยังไงกรรมฐานที่สอนไม่มีผิดหรอกทุกคนทุกคณะทุกองค์สอนถูกหมดไว้เพียงถูกแค่ไหนก็เหมือนกับคนอ่านหนังสือยังไงยังไงข้าเรียนหนังสือต้องอ่านหนังสือออก แต่วจะไปอ่านไม่ได้ถึงชั้นไหนกันท่านปหนึ่งปสองปสามปสี่ปห้าปหกมหนึ่งมสามมสี่มห้ามหกเปติโทเอกหรือว่าสรุปเป็นดุสเดีบัณฑิตรู้ทุกอย่างนั่นคืออรหันต์คือควบคุมได้ทุกอย่างนั่นคือพระอรหันต์คือไม่ว่าทุกสํานักต้องสอนถูกตั้งศึกแค่ไหนเป็นเรื่องของท่าน เราไม่ใช่ว่าเราดีถ้าเราดีเราก็ไม่ป่วยถ้าบอกแแห่หขนมาพูดเรื่องป่วยอีกแล้วถ็าถามว่าต่อไปนี้จะป่วยไหมไอ้คนนั้นมันตายหมดแล้วถ้าบอกมันตายที่ไหนมันตายหลอกคุณคุณเอาไฟเผามันมันก็แกล้งตายไหม้หมดโขดหมดพอ เ, เดียวแต่แต่คุณเผลอมันก็พลอใหม่ กเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะสัญญาต้องเป็นสัญญาถ้าถามว่าสัญญากับใครก็ได้บกว่าสัญญากับตัวเองว่าไอ้ที่ก้อนมนมานี่มันยังทรงตัวอยู่เพียงใดวันที่3มกราคม2535าตายจะต้องตายปกติไม่ได้ก็ต้องตายแบบคคติกะ ท่านโคธิกะทําตัวให้ตายได้ปิพันธ์ฉันได้ฉันก็เช่นเดียวกันฉันจะทําตัวให้ตายแล้วไปยังไงโกดิกา ว, ว่าจะเป็นอะไรไป <c oughs> อั น, นีไม่ใช่โกรธแต่หนีทุกในเมื่ อ, อกฎขนกรรมมันจะเล่นขันห้าเให้ไปกินไปดีก็กิกนเงินห้าไปตามใจใจไม่รับทราบใจปณิพันธ์ พอพูดตอนนี้ท่านก็ยิม้มเทวดานางฟ้าพระก็ครุ่นชอบใจที่ชอบใจได้ไม่ขบขันอะไรขบขันความงโง่ให้ความงโง่ที่มีอยู่คือสิ่งที่มันหนีไม่ได้คือความเป็นจริงนั่นคือความต้องการของพระท่านบอกว่าตอนนี้ไปลูกหลานของคุณจะมีความเพื่มใจมากขึ้นไปกว่านี้ถ้าคุณอยู่ทําอะไร ว่าพระผู้ใหญ่จะสงเคราะห์อย่างสมเด็จพระสัมมัยาสมเด็จพระ ส, สเกตปเป็นต้นนี่หลายองค์ถ้าที่มีความรักความเมตตาในคุณท่านจะสงเคราะห์ให้ลูกหลานคนปลื้มใจมากไปกว่านี้ปกด็ดีใสฉันนะ่ะไม่แก่หรือไงถ้าป่วยหายไหมถ้าบอกว่าต้องพูดกันก็ไปนงว่านหลังจากนั้นแล้วไม่ช้า ไม่คืนวันนั้นเองบรรดาท่านพธบริษัทสิ่งที่คาดไม่ถึงก็ปรากฏขึ้นคือคืนวันนั้นล้างทองขณะที่ล้างทองนั่งก็ออกแสนยากไอ้ี่ก็ใหญ่เป็นขวางเขาึกหลังจากคุยกับเทวดากับพรมเสร็จก็ใกล้สว่างคือว่าไม่ได้หลับกัน ในเมื่อใกล้สว่างมันจะดับมันก็จยจะไปส่วมไปซ่วมสองข้งก็ถ่ายไม่ออกไม่ออกมาเลยแม้แต่เนื้อไม่แต่น้ำไม่แต่ลมก็ไม่ออกทําที่ตะลักทั้งที่ล้างทองแล้วปรากฏว่าละที่สามตีสี่ได้ไปนั่งนั่งอยู่มันอยากจะถ่ายไปนั่งนั่งอยู่ก็ไอเจ้าก้อนใหญ่ที่อยู่ในลาไส้ที่มองเห็นมันค่อยๆเคลืค่อนตัว ขึ้นตัววนมาตามลำไส้ขึ้นไปแล้วลงปุ้มลงเป็นก้อนใหญ่ขนาดเต็มลำไส้เห็นว่าไม่มีใครตายมาแล้วล้างล้างางก้นแล้วก็ลุกมามองดูมันเป็นก้อนแข็งแล้วก็อุจจาระที่มันอยู่บนแห้งจนเป็นเสี้ยนมันค่อยๆขยายตัวเข้าน้ำไปจากผิว ยังรู้ว่าเดี๋ยวหนึ่งว่ามันแข็งขนาดนี้ก็ใช้น้ำชะโครกกดลงไปมันก็กะจายตัวไหลลงไปเพียงเท่านั้นมันก็เริ่มลงพอเจ้านั่นลงไปแล้วไอข้ขาที่บวมมันก็หายขาที่เดินเป๋ไปเป๋ปเปมามันก็หายเปราะนั้ว่าการถปัสสวะไม่ออกก็ดีขาบวมก็ดีขาเป๋ก็ดีตาอะไราดีไอ้เจ้าุจาระก่อนนี้ หมอจรูนหมอแปลกใจโอเราจาระธับสัเพื่อตำราหมอไม่พบขอให้หมอทั้งหมดเขียนตำราใหม่เขียนเติมตำราลงไปเพราะอุจาระถ้ามันแข็งเป็นก็หนักมันจะเบียดท่ อ, อทับสะพัของปัสสาวะแล้วมันก็จะปัสสาวะไม่ออก <c oughs> จะออกด้น้อยนั่นอย่างหนึ่ง นี่เป็นการหนึ่งถ้าบรรทับประสายขาด้านซ้ายขาด้านซ้ายจะปวดถ้าทับประสายขาด้านขว า, าขวาด้านขวาประสานขว า, านวาัานขา้นขขาจะปวดถ้าต่อมาถ้าบรนทับหําหนักมันจะบวมมีเรื่องของขี้ก้อนเดียวที่ยังหาตาราเรียนกันไม่ได้ไม่ใช่โทษหมอไม่ใช่โทษครัวของหมอแต่ว่าท่านอาชีวกมารพัตน์ ท่านลืมสอนไว้ท่านอาชีวกรรมระพัฒนเวลานี้สัปนิพาน์พูดอยงนี้อย่างนี้ืะเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าบอกไม่เดือดร้อ น, นถ้าบอกฉันสอนแต่ว่าวกฏกวามจำของคุณถ้าจะง้อหน้ามาพอฉันสอนแล้วทุกอย่างแต่คนเบื้องหลังเขาไม่ค่อยจํากันโดยเฉพาะอย่างนี้เวลานี้ตําราของฉันเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้กัน ก็ถามว่าอาการโรคอย่างนี้จะแก้ไงหายถ้าบอกเป็นหน้าที่ของสำนักปฏิพงษ์คณะเทวดาทั้งหมดฉันพ้นเกไปแล้วแม้ท่านพูดเหมือนพระพูดก็เป็นเอาว่าธรรมบัรดาพจน์เป็นนั้นว่าบรรดาธพจนบริษัทนี่เผยไปหน่อยพูดกลัวไปเลยนี่พูดนี่ต้องระวังเต็มทีเลยนะถ้าไว้นิดเดียวมันจะไม่รู้เรื่อง นี่บุญแท้ๆนะที่พูดเวลานี้รู้เรื่องได้ก็เป็นว่าจะเมื่อจะคิดกว็น่าไปก็มีการคลายตัวเช้าก็ปโรปโร่งโปร่งแต่ว่าท่านอหลายจะเห็ว่าร่างกายมันเครียดมันก็ไม่ปโปร่งจริงตาอ ย, ย่างมัวตอนที้มาวันนี้วันเดียววันที่ส9เก้ากำลังพูดเนี่ย ก็มีของดีแถมคือลิ้นแตกลิ้นแตกเคยแต่เฉพาะเป็นร่องจุดใดจุดหนึ่งเวลานี้ที่คุมันแตกทั้งลิ้นทั้งล่างทั้งข้างทั้งข้างบนก็พอดีมียาที่หมอจรุ่นให้ไว้ยาขนาด น, นี้ดีมากก่อนหน้านี้มันก็เป็นโรคแปลกอีกอันหนึ่ง คือว่าไอ้วันที่จะจ ะ, จะทู่ซีกันน่ะจะอยากจะตายเนี่ยตัดสินจะตายเพราะฉะนั้นมันมีโรคไตอันะไรเข้ามาแทรกคือเย็นที่เท้าเย็นตั้งแต่เท้ามาถึงข้อเท้าวันเย็นเหมือนกับแค่น้ําแข็งแต่มือไปจับผิวหนังมันร้อนข้างในมันเย็นให้ใครมาคลำใครก็บอกว่าร้อน แต่ข้างในมันย็นเชียดที่มันเป็นโรคประหลยคือโรคโกงกรรมกลวงความ ข, ขึ้นเชื่อว่ากรรมบรรดาธนาไหลถ้าเราจะวิสูน์กันขอยืดหยันพราะพบมาในตัวเองมาดูกรรมกันว่ากรรมของเราทั้งหมดถ้ามันติดตามเรามันมีค้าอะไรบ้างก็ใช้กำลังสมาธิคืออย่าลืมหนึ่งทานเต่าให สองศีลต้องรักษาสามรงับมิวรนห้าทำสมาธิเกิดใช้ปัญญาพิจารณาขณะให้จิตสะอาดจริงๆดูกฎของกรรมดูยากกว่าผีไอตัวกรรมที่มันจะเข้ามาได้งานมันตั้งเป็นแถวเป็นระยะระยะมันเป็นเหมือนกับตัวบุคคล บางตัวก็เหมือนกับควายไอ้คําควายมันก็คป็นควายคำคนก็เป็นคนกำนกมนก็เป็นลูกนกมันจะทยอยเข้ามาทําร้ายร่างกายของเราแต่ว่ามันยังยังไม่ให้ตายถ้าตายแล้วหมดทุกเวทนามันยังไม่ตายมันจะทรมานเรื่อยไปถ้าอยากจะดูใช้แบบนี้อันนี้ต้องเชื่อแล้วเพราะโดนมาเองแล้ว ก็มีอีกคนหนึ่งที่พอจะเชื่อของกรรมได้คือเราอ่องเห็นกรรมเมื่อก่อ น, นเห็นกลนกรรมไอ้กรรมที่ตามในงานหลวงพ่อมันล้อมรอบแต่เวลานี้มเหลือตั้งแถวกันบางไปแล้วขนาดตั้งแถวมันก็ตั้งตัวไม่ติดไอ้ตัวนี้ออกไปตัวนั้นก็เข้ามามาันตั้งตัวไม่ติด <c oughs> จะรวมความว่าบรรดาลท่พุทธบริษัทความศักดิ์สิทธิ์ของพระ เป็นของจริงท่านบอกว่าเท่าที่อยู่ได้เวลานี้เพราะฉันช่วยเธองานที่หนักที่สุดคือซอยสายลมไม่มีเวลาพักเหนื่อยขึ้นมาประเดี๋ยวเดียวก็ต้องลงร่างกายพอดีๆเข้าซอยสายลมปับ๊บตอนแรกเริ่มไม่สบายแล้วพูดหนักๆเข้าไม่ก็เล่งงานกินไม่ได้นำรากินข้าวแต่สองสามช้อน แต่ก็เท่าที่ทนไหวเพราะกำลังของพระท่านช่วยถามว่าพระอะไรก็าบอกบอกได้เลยพระพุทธเจ้า <c oughs> พระพุทธเจ้าครั้งละสี่องค์ช่วยที่สอยสายลมงานไหนจะเป็นพระพเจ้าองค์ไหนอยู่หน้าเบื้องหน้าคือเป็นเจ้าของงานอีกสามองค์ก็คุมอยู่คุมร่างกาย บอกกันตรงๆแบบที่ไม่ต้องกลัวใครก็ว่าโอโอโอตรีพระนรสธรรมนี่พูดไปชัดนะในเมื่อมันเป็นของจริงในใครกล่าวหายังไงก็เชิญเทาไม่เป็นไมันแก่แล้วอยากจะตายอยู่แล้วถ้าพ้นงานนี้ได้เมื่อไรตายได้เหมือนนั้นถ้าพ้นงานพ้นงานนี้ไม่ได้ต้องตายตามเวลากระรงความว่าถ้าใครเขาแกล้งฟ้องว่าพระองค์นี้โอ๊ะโอตรีพระนรสธรม ก็พระผู้ใหญ่ท่างเชื่อท่านสั่งศึจกจะความเป็นพระเวลาดันก็ถือหมดหน้าที่ถ้าหมดหน้าที่เราก็ตายจ้ไม่เริ่มารางานไม่มีในเมื่อของจริงมีอยู่พระเจ้าบอกถ้าถ้าไม่รู้จริงบอกบอกว่ารู้จริงเอาท่านปรับโทษถ้ารู้จริงเห็นจริงแบบนี้ท่านไม่ปรับโทษก็ว่าพูดกันตามความเป็นจริง ในเมื่อกองกำครวญว่าดเขาก็มองเห็นงั้นเราออกนันไปถามเลยจะพูดเฉยเลยดีไม่ดีบางท่านฟังนึกว่าเราออกบ้าที่อีกาตมาก็เห็นพระที่ถามว่าทำไมกล ร, รมอย่างมากเขาเพราะว่าทุกชาติที่เกิดมาเป็นนักรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้บัญชาการรบการรบมันต้องฆ่ามันต้องทํา้ายเขาทํา้ายคนทํา้ายทรัพย์สิน บาปที่นักรบไปทําเขานะ่ยมันก็ตกอยู่กับผู้บัญชาการบาปทุกส่วนตรงที่ผู้บัญชาการหมดนักรบก็บาปจะเพราะคนที่เขาทําเขาฆ่าคนหนึ่งคนเ ข, า, ขาบาปหึงคนแต่ว่าถ้ากองทัพนั้นไปฆ่าคนล้านคนแม่ทัพ บ, บ้าร้านบ้าบ้าบ้าล้านคนบ้าล้านเท่ากรมเขาได้ฐานหน้าทิมผู้บัญชาการทัพมาทุกชาติ เว้นไว้แต่ชาตินี้ก็เป็นผู้ประชาการทัพกองทัพน้อยเล็กๆคือว่ากองทัพธทมค่อยต่อสู้กับกิเลสถ้ากิเลสมัน ก, ก็เล่น ง, งานไม่เป็นไรกิเลสก็ไม่กลัวมันเล่นไม่ไหวแล้วแกแล้วในกฎของกรรมมาเล่น ง, งานมันจะทาใจใเป็นกิเลส เพราะว่าการคิดฆ่าตัวตายเปนไม่เป็นกิเลสเลยเขาบอไม่ใช่เป็นกิเลสไม่ได้ฆ่าใครเขานี้ในการฆ่าตายก็ฆ่าให้มันตายไปเพื่อจะไปนิพพานไม่ไดไปไหนหรอกไม่ตั้งใจไปเกิดใหม่ถ้าถามว่าจะไปนิพพานได้ไหมก็ตว่ารอเวลาตายซะก่อนตายเมื่อไรตามไปดูกันถ้าไม่เห็นนิพพานเห็นอื่นให้ตอบว่าได้ด่าเขาได้ว่าก็ต า, ามใจชอบอรรถบรนดาลใจพุทธริษัท การบันทึกความทรงจำคนนี้ก็ข อ, อยุติวิียา่ารนี้ข้อหมดเวลาถ้าก็รอไปขณานจงกว่าจะมีเรื่องใหม่ขอทุกท่านอีกฟังจะมีแต่ความส่งสวัสดิภาพพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลพัฒนาสิ่งใดก็ได้่ง น, นั้นสงความปัญหาทุกประการสวัสดี